พระธรรมเทศนาลำดับที่สิบโดยหลวงพ่ออินทายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีมีชื่อเรื่องว่าเปรตเชิงเขาคิชกูรวันนี้เป็นวันที่ 3, สามเมษายนพุทธศักราช25ั้าอยห้าสส่อย่างที่งานหลวงตาที่ผ่านมาเนี่ยนี่แหละหลวงพ่อว่า ได้ขนาดนี้ลุงพ่อก็เป็นที่พอใจอย่างมากแต่ว่าเรื่องที่จะคนที่พูดออกไปมีมากมายอย่างที่ลุงพ่อได้พูดไม่ใช่แตบัดสนเทศเท่านั้นไทยโพ์ไทยเพศอะไรเขาก็ออกไปต่างเยอะแยะวิจงวิจารออกไปแต่ลุงพ่อก็ให้อภัยใ ค, ใครทำกรรมอันไหนไว้กรรมนั้นจะต้องตามสนองคนนั้นเอง อหลวงพ่อทํากรรมไม่ดีหลวงพ่อจะได้รับกรรมไม่ดีเองไม่ไม่ต้องมาตําหนิก็ได้หลวงพ่อจะยินดีก้มหน้าก้มตารับกรรมของตนเองที่ได้กระทําแต่ถ้าหลวงพ่อทํากรรมดีแล้วคิดดีแล้วพูดดีแล้วทําดีแล้วหลวงพ่อจะเป็นผู้รับเองในกรรมการกระทํานั้นๆะเพราะนั้นใครทํากรรมอันไหนไว้ผู้นั้นก็จะได้รับกรรมถ้าใครพูดไม่ดีเอาไว้คนนั้นก็จะได้รับผลกรรมที่พูดไม่ดีเอาไว้เหมือนกัน เห็นไหมในครั้งพุทธการในครั้งพระพุทธเจ้าของเราพระสงฆ์หมู่หนึ่งอพระสงฆ์องค์หนึ่งเป็นธรรมกตึกคือนักเทศนไปยุยงให้พระสงฆ์สองรูปทะเลาะกันถึงร้อยปีพระสงฆ์สององค์นั้นแปลว่าใจร้อนตลอดเลยไม่มีการสวดมนต์ไม่มีการไหว้พระไม่มีการสาธยายไม่มีการภาวนาเลยนั้นแตเออมีแต่โอ้ทําไมองค์นั้นยังพูดให้ข่าทางองค์นั้นเอ๊ะทำไมองค์นี้ยังพูดให้ข่า แต่ที่แท้ไม่ได้พูดทั้งสองทั้งสององค์แต่องค์กลางเนี่ยองธรรมกรถึกเนี่ยไปยุแยงให้พระสององค์ทะเลาะกันผลที่สุดพระธรรมกรถึกที่เป็นองค์ยุแยงนี่ก็ตายจากสมัยนั้นศาสนาของพระพุทธเจ้ากัจป่าเนี่ยคนอายุยืนถึงสองหมื่นปีท่านปฏิบัติธรรมมาทั้งสองหมื่นปีไม่สามารถที่จะคุ้มครองบาป อ, อกุศลจุดนั้นได้ท่านก็ลง สู่ อ, อเวจีมหานารกเพราะยุโยงสองส่งให้แตกกันนึกว่าสังฆเพศเลยสังฆเภทคือยุโยงสงให้แตกกันให้เป็นฝักฝ่ายให้เป็นฝักฝ่ายให้ไม่เข้าใจกันคือหาเรื่องเนี่ยตกลงตกอเวจีมหานารกพอเกิดมาชาตินี้มาในศาสนาของพระพุทธเจ้าโคตมะเนี่ยมาเกิดเป็นเปรตอยู่ที่ตีนเขากิจกูฏพระโมกคาลากับพระลักษณะ ลงมาจากตีนเขาท่านไปพักอยู่ที่เขาคีจกูดกลางคืนท่านไปบำเพ็ญอยู่กลางคืนพักผ่อนกลางคืนพอตอนเช้ามาท่านก็ลงมาจากตีนมาลงมาจากเขาคีจกูดท่านก็มาเห็นเปรตพระมหาพระโมกคลาท่านก็ยิ้มโอ้ทำไมใช้กรรมขนาดนี้เนอะเปรตนี่นะพัลลักษณะที่เป็นปัจฉ ช, ชมณะคือเป็นเพื่อน ก็ว่าท่านอาจารย์โมกขาลาทําไมท่านยิ้มด้วยเหตุอันใดหนอครับพระโมคขาลาบอกว่าให้เราให้ผมไปถึงสํานักพระพุทธเจ้าก่อนนะอู่ต่อพระพักพระพุทธเจ้าอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าก่อนแล้วท่านจึงค่อยถามผมจะพูดให้ฟังที่ผมเห็นเนี่ยที่ผมยิ้มเนี่ยครับจากนั้นก็ไปบินธบาติบินธบาติฉันเสร็จแล้วก็เข้าไปกราบพระพุทธเจ้า ตอนที่ฉันจังหารเสร็จแล้วพอต่อหน้าพ ร, ระพุทธเจ้าแล้วพระสงฆ์ก็มีมากที่นั่งฟังโอวาทของพระพุทธเจ้าอยู่พระลักษณะเลยถามขึ้นมาว่าท่านอาจารย์โมกคลาครับที่ท่านลงมาจากตีนเขาคิสกูดนะ่ะท่านเห็นอะไรท่านในาทําไมจึงยิ้มแต่บัดนี้ก็อยู่เฉพาะพระพักพ ร, ระพุทธเจ้าแล้วขอท่านบอกให้กระผมฟังด้วยครับ เพระาะโมคลาก็บอกว่าที่ลงมาจากเตียนเขากิจกูดวันนี้ผมเห็นเปรตตัวหนึ่งแต่ลักษณะเป็นคนตัวเป็นคนแต่หัวเป็นหมูแต่มีหางออกจากปากและมีของปฏิกูลอุจจาระปัสสาวะไหลออกจากปากแล้วก็มีนอนออกจากปากโย้เย้อไปหมดผมเห็นแล้วโอ้โหทำไมใช้กล่อมอะไรมากมายนักหนาถึงขนาดนี้ทาไม พระพุทธเจ้าอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเออเนี่สงฆ์ทั้งหลายลูกศิษย์ของเราตถาคตนิโมกคลาเห็นเปรตไม่ใช่เห็นแต่เราแต่เราเห็นตัต้งแต่สมัยอยู่โคลนต้นโพวันได้ตัดสรู้น่ะวันนั้ น, นเราเห็นหมดสัพสัตว์ทั้งหลายเห็นเปรตทั้งหมดแต่โมกคลาก็เห็นเป็นพยานของเราถ้าเราไม่มีพยานเราจกไม่พูด แต่บัตร น, นิโมกคลาเป็นพยานให้เราเราจะพูดให้ฟังคือเนี่ยเปรตตัวนี้นะ่สมัยก่อนนะไปยุแยงให้สงแตกกันเป็นสองฝ่ายสองพระสององค์สนิทสนมกันนะองค์นี่ยเป็นองค์ที่สามไปยุให้เขาแตกกันเนะนี่แหละตายจากนั้นมามาตกนรกออกจากนรกมามาเกิดเป็นเปน เ, เป็นเปรตอยู่ที่ตีนเขากิจกูดนี่แหละนี่แหละเปรตตัวนั้นแหะนะเพราะยุโยงสงให้แตก จากกันเห็นว่าสังฆเภทสังฆเภทบาปหนักนี่แหละหลวงพอ่อใครอยากจะศึกษ า, ากใครอยากจะอ่านหนังสือเล่มนี้กันเนี่ยอยู่ในธรรมปฏิทักถฐานอยู่ในพระไตรปิฎกนะไปอ่านไปศึกษาได้นี่อันนี้คือกล่มคือการกระทำหลวงพอ่อเอ้ยใครอย่าไปพูดนะพูดสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องนะ่ะ เดี๋ยวในศาสนาของพระศรีอานต่อไปภายภาคหน้าพระศรีอริยะเมตรตรอุบัติขึ้นในโลกอีกท่านก็จะเห็นเอ้ยเปรตหมูเนี่ยสมัยหนึ่ง 2,554 ปีพระอรหันต์ท่านหนึ่งท่านปรินิพานลูกศิษย์ทะเลาะกันนี่หาเรื่องใส่กันเนี่เรื่องไม่เป็นเรื่องหาเรื่องใส่กันนี่ตายแล้วตกนรกออกจากนรกเนี่ย มาเป็นปตด น, นี่นหละ เ, เดี๋ยวลูกศิษย์ของผสีอ่านก็จะได้เห็นพวกกรรมมันนั่นแหละหลวงพ่อว่าอย่าไปคิดสร้างกรรมที่มันไม่ดีถ้าหลวงพ่อพูดถึงสิ่งไม่ดีก็พูดมาตรงนี้หลวงพ่อยินพูดไม่ถูกนะก็ยินดีหลวงพ่อบอกว่าเนี่ยการกระทาของเราก็ดีเรายินดีให้ ขอกราบครูบาอาจารย์หมู่พวกเพื่อนที่ว่าหลวงพ่อทำจุดไหนที่มันไม่ถูกต้องที่มันเกินไปโดยไม่เจตนาเจตนาเนี่คิดว่าไม่มีที่จะเหยียบย่ำองค์นั่นองนี่หมู่เพื่อนคนนั่นคนนี้เราก็ทำตามที่ว่าสิ่งไหนที่มันจะถูกต้องเป็นธรรมที่สุดในงานขององค์ลงตาแต่ผลมันออกมายอย่างที่วาไทยโพสไทยเพศอย่างที่ว่า ชนทงชนเทยอย่างที่ว่านะออกมาลงพ่อกยินดีรับเหมือนกันเป็นกระจกเงานะแต่ว่าถึงอย่างไงก็ตามนะผู้ที่พูดต้องคิดให้ดีซะก่อนนะเอต้องคิดให้ดีซะก่อนนะก่อนที่จะทําก่อนที่จะพูดอกรรมตัวนั้นไม่ไปไหนแลต้องไปสู่การกระทําของผู้ที่พูดที่คิดไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดี เ, เ, เดี๋ยวไปเกิดในศาสนาภาษีอ่านที่ก็จะเป็นอย่างเปรดหมูตัวนั้ น, นอ่ะ ที่พที่ประโมคกคลาเห็นนะ่ะอกรรมไม่ไปไหนนะ่ะกรรมคือการกระทําไปสู่จุดผู้ที่กระทํามไม่ดีนั่นแหละอันนี้หลวงพ่อพูดเ<ไ>ตือนเ<ไ>ตือ น, นทุกขู่ทุกคนไม่ว่าท่านว่าเราเตือนก็ตั้งหลวงพ่ออินด้วยนั่นแหะหลวงพ่ออินเลยอย่าไปยุ่แย้งให้คนอื่นแตกกันเนะ้ออย่าไปพูดในสิ่งที่มันไม่ดีเนะ้ออย่าไปคิดในสิ่งที่มันไม่ดีเนะ้ออย่าไปทําในสิ่งที่ไม่ดีเนะ้ออย่าไปพูดในสิ่งที่มันไม่ดีเน้อ กรรมตามสนองนะอากตังทุ ก, กตงังเสยโยปั ช, ชาตะปฏิทุกตังกรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมให้ผลให้ตนเดือดร้อนเมื่อภายหลังมันจะให้ ต, ตนตนเป็นทุกข์เมื่อภายหลังอย่างเปรตตัวนั้นเมื่อทำก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอทำไปแล้ว ม, มันใช้กรรมการกระทาของตอนเองเป็นทุกข์อยู่นานเท่านา น, น, าน พราะการกระทำํำเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาเนี่พระพุทธเจ้าท่านให้ทําแต่กรรมดีสิ่งไหนที่ดีให้ทํากรรมนั้นถ้ากรรมที่มันไม่ดีอย่าทําท่าดำแล้วจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังนี่แหละวันนี้นะเป็นวันพระเป็นวันพร ะ, พระแรมสิบแรมสิบห้าค่ำเดือนสี่ ว, วันนี้เป็นเดือนสี่ดับละ ว, วันนี้ปีพุทธศักราชสองพันห้อ ห้าสิบสี่เดือนสี่จบเพียงแถนนี้วันพุ่งนี้ก็เป็นขึ้นหนึ่งค่ำเดือนห้าแล้วนงนะเดือนหนะ้าปีห้าสิบสี่เพราะนั้นพวกเราคณะสัตยาญาติโยมทุกทุกท่านนะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมคุณงามความดีให้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราเอาไว้สรุปแล้วก็คือคิดดีทำดีพูดดีถ้นะาว่าพวกเราถ้าคิดดีพูดดีทาดีแล้ว ความสุขความเจริญจะไปที่ไหนหกรรมดีทั้งหลายก็จะเข้ามาสู่บุญกุศลเข้าสู่จิตใจถ้าทํากรรมชั่วที่ไม่ไม่ดีแล้วกรรมชั่วน่าจะตามสนองเหมือนกันทํากรรมดีกรรมดีก็จะตามสนองเหมือนกันเพราะฉนั้นกรรมไม่ไปที่ไหนผู้ใดทําใครทำเอาคนนั่นแหละเป็นผู้ได้รับถ้าใ้าทากรรมดีคนนั้นก็ได้รับผลดีถ้าใครทํากรรมชั่วคนนั้นก็ได้รับผลชั่วเพราะนั้น โลกนี้โลกหาได้โลกหาดีก็ได้หาชั่วก็ได้หานรกใสตัวเองก็ได้หาเปรตใสตัวเองก็ได้หาสวรรค์ก็ได้หามักหาผลหาพระอริยะบุคคลใส่ตัวเองก็ได้หาได้ทั้งหมดโลกนี่เพราะนั้นพวกเราควรจะหาแต่สิ่งที่ดีเข้ามาสู่ตัวตัวของเรานะตอนนี้ไปรับพร